เริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2546เป็นวันแรม8ค่ำเป็นวันพระวันธรรมมสวนณวันฟังธรรมท่านที่มี เวลาว่าและมีศิ์มีศัตราศรัทธาที่แน่วแน่ยังได้เดินทางมาที่วัดกันเพื่อบำเพ็ญคุณประโยชน์สำหรับส่วนตนและส่วนท่านคือทั้งสำหรับตัวเราเองและสำหรับผู้อื่นด้วยการมาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับท่านผู้ที่ร่วมรับไปแล้วซึ่งเป็นการกระทาที่จะนามาซึ่งความเป็นสิริมงคลความสุขและความเจริญสำหรับตนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาน่าส่งเสริมให้กระทำอย่างต่อเนื่องเพราะประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่ สำคัญพอะจะอยู่ติดกับไปอยู่ติดกับใจไปตลอดเวลาถ้าไม่มีประโยชน์ดังนี้แล้ว <c oughs> เช่นเรามัวแต่ไปหาประโยชน์ทางด้าน <c oughs> วัตถุทางด้านเสกความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้สัมผัสเราได้เสกแล้วก็จะผ่านไปไม่ได้มีอะไร หลงเหลือติดใจติดอยู่ภายในใจที่จะทำให้เกิดความสุขความเอ็นความพอในทางตรงกันข้ามกลับสร้างความหิวสร้างความกระหายสร้างความอยากให้มีไม่รู้จักจบสิน้นส่วนการกระทำคุณงามความดีช่วยเหลือผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นเป็นการสร้างความสุขให้กับใจ เป็นความสุขที่อยู่ติดกับใจไปหลังจากที่ได้กระทาสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วยังเป็นเครื่องจูงใจเป็นเครื่องผลักดันให้มีการกระทาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจึงทำให้จิตใจพัฒนาสูงขึ้นไปด้วยความดีงามด้วยความสุขด้วยความเจริญ เป็นสิ่งที่จะไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ได้แตกสลายไปแล้วร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวอยู่ในโลกนี้ได้สักระยะหนึ่งก็ต้องมีความเป็นไปมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาส่วนจิตใจนั้นก็จะเดินทางต่อไปสู่ภพหน้าชาติหน้า จะไปสู่ความสุขความเจริญก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ได้กระทำกันไว้ในชาตินี้และในชาติต่างๆในอนดีตที่ผ่านมาแล้วบุญกุศลก็จะเป็นเครื่องส่งให้จิตใจได้ไปเกิดที่ดีที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพื่อจะได้ประกอบคุณงามความดีบุญกุศลให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปจนในที่สุด ก็จะถึงจุดสูงสุดของการพัฒนาชีวิตนั่นก็คือจุดที่มีความมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรองสุขสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุทั้งหลายได้พัฒนาไปถึงซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนากันเพียงแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเวลาที่เรา พดถึงความสุขทางด้านจิตใจความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้<ม>ก็จะเกิดความหวาดกลัวเพราะว่าในชีวิตของตอนนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกคือแสวได้ความสุขจากการมีเงินทองจากการมีตำแหน่งมียศด จากการได้รับการสรรเสริญยนยอจากการได้เสกกรรคือคุณกรมคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกิริยนรสพทธะทั้งหลายจึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาว่าคนเราจะมีความสุขโดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนั่นก็เป็นเพราะความโง่เขลาบอปัญญาความหลงที่เรียกว่าความเห็นผิดเป็นชอบ ทำให้เราไม่เห็นถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะอยู่ติดกับเราไปตลอดก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจนี่เองจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ดูทดสอบดูถ้าเราไม่พิสูจน์เราไม่ทดสอบเราจะไม่รู้ถึงความสุขกันนี้ ดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องมีความศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าความสุขนี่แหละที่แท้จริงอยู่ในใจเราอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่การมีเงินทองแล้วเอาเงาินทองนี้ไปเที่ยวไปหาความสุขซึ่งเป็นความสุขแบบหลอกลวงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้สัมผัสแต่หลังจากที่ผ่านไปแล้วก็เกิดอาการเาหนื่อยหงอยเกิดอาการอยากที่จะต้องออกไปไสวหหาความสุขแบบนั้นเองจึงเป็นความสุขที่จะต้องหาอยู่ตลอดเวลาสิ้นพบนี้ไปความอยากในความสุขเหล่านี้ก็ไม่ได้หมดไปกับพพนี้ เมื่อไปเกิดใหม่ก็ต้องไปขวนขวายหาความสุขเหล่านี้ไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดการหาความสุขแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีใครสอนกันเกิดมาพ่อแม่ไม่ต้องสอนกันมันเป็นสิ่งที่ฝังมาติดอยู่กับใจ <c oughs> ส่วนความสุขที่เกิดจากความสมบความความลดละการหาความสุขจากภายนอก เป็นสิ่งที่เราไม่มีติดตัวมาจึงเป็นสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เราจึงมีความกลัวกันทุกครั้งถ้าพูดถึงว่าจะต้องไปอยู่ในวัดศึกษาวันเพื่อถือศีลลดล ะ, ะการมาสุขทั้งหลายก็จะเกิดความรู้สึกหวาดกลัวไม่ค่อยกล้าที่อยากจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมกัน ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้เองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องเชื่อในสิ่งที่พระพเจ้าทรงสั่งสอนดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธองค์เมื่อเกิดมาก็เกิดมาเหมือนเราท่านก็ยังมีความอยากในความสุขทั้งหลายในโลกนี้อยากมีความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพ ท, ทั้งหลาย แต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นบุคคลที่ฉลาดเป็นบุคคลที่รู้จักคิดรู้จักแยกแยะจึงเกิดความเข้าใจหรือเกิดความคิดขึ้นมาว่าความสุขที่พระองค์ทรงมีอยู่ที่ห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่ในฐานะราชกุมาร น, นั้นหาใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไหมเป็นความสุข จองปลองเป็นความสุขหลอกลวงที่จะต้องคอยแสวงหาคอยเติมอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่สร้างความอิ่มไม่สร้างความพอให้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงงศึกษาแสวงหาว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ทรงทราบว่าจากนัก บ, บวชว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การ ทำจิตใจให้สงบและการที่จิตใจสงบได้จะสงบได้ก็จะต้องล้นละหรือตัดความสุขภายนอกเสียให้หมดซึ่งความสุขภายนอกนี่เปรียบเหมือนกับความเหมือนกับความร้อนส่วนความสุขภายในใจเป็นเหมือนกับความเย็นเราจะเอาทั้งสองอย่างมาปนกันไม่ได้ถ้าเราต้องการความเย็นเราก็ต้องตัดความร้อนออกไป ถ้าเราต้องการความร้อนเราก็ต้องตัดความเย็นออกไปอย่างในฤดูหนาวมันหนาวเราก็ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ความหนาวเข้ามาสู่ร่างกายเราเพื่อร่างกายของเราจะได้อบอุ่นในฤดูร้อนเวลามีอากาศ ร, ร้อนเราก็ต้องหาวิธีระบายความร้อนให้ออกจากร่างกายเราและออกจาก อากาศที่อยู่ในรอบตัวเราเช่นติดเครื่องปรับอากาศหรือถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศเวลาร้อนมากๆก็ไปอาบน้ำสักครั้งหนึ่งก็จะช่วยระบายความร้อนให้ออกจากร่างกายไปได้แต่ความร้อนและความเย็นนี้จะอยู่ร่วมกันไม่ได้จะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งความสุขท้งโลกกับความสุขท้งธรรมก็คือความสุขภายนอก ที่เราหามาได้จากการไปเสพ ร, รูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐาภะความสุขภายในที่เกิดจากการทาจิตให้สงบนั้น mm hmm. ก็เป็นของตรงกันข้ามกันเป็นของที่ไม่สามารถที่จะอยู่คู่เคียงกันได้จะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าจะต้องการความสุขทางใจคือความสงบของจิตใจ ก็ต้องตัดความสุขภายนอกอย่างที่ญาติโยมบางท่านได้มาอยู่วัดกันเวลามาอยู่วัดก็มาถือศีลแปดเคยจะลดละจากการหาความสุขทางทางภายนอกเช่นจากการดูหนังดูละครร้องลําทำเพลงหาความสุขจากการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าพรที่มีสี หลากหลายจากการประพรมของหอมทั้งหลายหรือจากการ น, นอนบนเตียงบนฟูกที่มีความนิ่มมีความสุขซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณแต่มีคุณน้อยมีความสุขน้อยแต่มีโทษมากกว่าเพราะไม่สามารถทำให้ใจนั้น สงบได้ไม่สามารถทำให้ใจอิ่มให้พอได้จึงต้องมาลดละ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ด้วยการละเว้นสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาเ <c oughs> จริญการทำจิตใจให้สงบ <c oughs> ด้วยการไหวพระสวดมนต์ด้วยการนั่งทำสมาธิกำหนดจิตใจให้อยู่กับที่ ให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือให้อยู่กับองค์ภาวนาที่ใช้เป็นเครื่อง <c oughs> ใช้เป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ใจเล่อน่อนไม่ให้ใจไปเที่ยวเตะคิดถึงเรื่องราวต่างๆโดยปกติใจก็เปียบเหมือนกับเรือลำหนึ่งที่รออยู่บนน้าเรือถ้าเราต้องการให้นิ่งให้จอดอยู่กับท่า เราก็ต้องเอาเชือกผูกเรือไว้กับเสาเพื่อที่เรือจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสะน้ำใจก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราต้องการให้ใจอยู่นิ่งไม่ให้ไหลไปตามกระแสะอารมณ์ ต, าตา่างๆก็ต้องหาเครื่องผูกใจไว้เช่นบทสวดมนต์หรือองค์ภาวนากำกับจิตใจเช่นคำว่าการบริกรรม คำว่าพุดโธพุดโธไปเรื่อยๆหรือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเหล่านี้เป็นเครื่องผูกใจถ้าเรามีเครื่องผูกใจแล้วใจของเราจะลอยไปไม่ได้ยกเว้นเสียว่าเชือกที่ไว้ผูกใจให้อยู่กับองค์ภาวนาคือสตินั้นขาดไป ถ้าเชือกขาดอย่างเวลาเราผูกเรือไว้กับท่าเรือถ้าเชือกที่ผูกไว้นั้นขาดเรือก็ต้องไหลไปตามกระแสะ น, น้ำแต่ถ้าเชือกไม่ขาดเรือก็ลอยไปไม่ได้ฉันใดการที่จะทําให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์ก็ดีอยู่กับองค์ภาวนาเช่นคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธก็ดีหรืออยู่กับการลมหายใจเข้าออกก็ดี จำต้องมีสติคือจะต้องมีการระลึกรู้หรือการเฝ้ามองอยู่กับสิ่งที่ได้ตนได้กําหนดไว้ให้เป็นเครื่องผูกใจไว้ถ้าจะใช้การสวดมนต์ก็ขอให้เราสวดมนต์อยู่อยู่กับคําสวดมนต์ทุกคําไม่ใช่สวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆไปถ้าเป็นเช่นนี้แล้วใจจะไม่สงบ ใจจะไม่นิ่งก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาก็จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเกิดความท้อแท้เกิดความเสื่อมในศรัทธาขึ้นมาคิดว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนความจริงแล้วมันอยู่ที่การปฏิบัติของตนเองต่างหากที่ไม่ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นก็คือให้มีสติ อยู่กับงานที่ที่ได้กำหนดไว้ให้ใจกระทาถ้าได้กำหนดให้ใจอยู่กับการสวดมนต์ก็ขอให้อยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ที่ไกลตัวทั้งหมดนั้นขอให้ลืมไปเสียขอให้อย่าไปคิดถึง ตอนนี้ขอให้คิดอยู่เรื่องเดียวก็คือบทสวดมนต์พยายามให้อยู่กับบทสวดมนต์นั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเกิดความรู้สึกสงบรู้สึกสบายรู้สึกเย็นแล้วอยากจยาหยุดสวดก็ลองกำหนดดูลมหายใจต่อไปดูลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับลมเหมือนกับอยู่บทสวดมนต์แต่ตอนนี้ไม่ต้องสวดแล้ว เพียงแต่ให้หันมาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยกำหนดลมกำหนดดูอยู่ที่จุดจุดเดียวคือจุดที่ลมสัมผัสกับปลายจมูกหรือที่เหนืิ้นเหนือลิ้นฝีปากขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ตรงจุดนั้นคือไม่ต้องตามลมเข้าไปเวลาหายใจเข้าไม่ต้องตามลมออกมาเวลาหายใจออก เพราะเราไม่ต้องการที่จะทําให้ใจทํางานไม่ต้องการให้ใจเคลื่อนไหวนั่นเองต้องการทําให้ใจนิ่งให้อยู่กับที่จึงควรที่จะกำหนดให้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่เราสัมผัสลงได้ชัดในเบื้องต้นก็จะอยู่แถวปลายจมูกหรือแถวบริเวณเหนือลิมนฝีปากขึ้นมาแต่ต่อไปก็อาจจะไปรู้สึกอยู่ที่ท่ามกลา อ, อกก็ได้ ก็จะกำหนดอยู่ที่ตรงกลาง อ, อกก็ได้อย่างที่เขาใช้ยุบหนอ่อพองหนอ่อเขาก็กำหนดดูอยู่ที่บริเวณหน้าท้องหรือหน้า อ, อกเวลาลหายใจเข้า ก, ก็จะเกิดความรู้สึกว่าพองขึ้นมาเวลาหายใจออกไปก็เกิดคลามรู้สึกว่ายุคลงไปจงมีบทที่พูดว่ายุบหนอ่อพองหนอ่อแต่ความจริงเวลากำหนดดู ไม่ต้องพูดคำว่ายกหนอต้องหนอก็ได้ข้อสำคัญขอให้รู้อยู่กับการเข้าออกของลมตรงจุดใดจุดหนึ่งตรงหน้าอกก็ได้หรือตรงที่ปลายจมูกบริเวณเหนือลิมฝีปากขึ้นมาก็ได้ข้อสำคัญขอให้เราเพียงแต่กํำหนดรู้เท่านั้นไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบังคับให้ลมหายใจสั้นหรือหายใจยาว ให้หายใจละเอียดเรือหายใจยาใจลมลมจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ต่างความเป็นจริงถ้ารู้ถ้ารู้ว่ากำลังหายใจสั้นก็รู้ว่าขณะนี้ลมหายใจสั้นถ้าลมหายใจยาวก็รู้ว่าลมหายใจยาวถ้าลมหายใจยาวก็รู้ว่ายากถ้าละเอียดก็รู้ว่าละเอียดถ้าไม่มีความรู้สึกว่ามีลมเหนืออยู่เลยก็ทำความเข้าใจว่าขณะนี้ ลมละเอียดจนกระทั่งไม่สามารถรู้สึกได้ก็ไม่ต้องเกิดความวิตกไม่ต้องกลัวว่าคิดว่าถ้าไม่มีลมหายใจแล้วจะตายไปเพราะความจริงแล้วถ้าเรายังมีความรู้อยู่กับตัวมีความรู้ว่าขณะนี้ลมหายใจได้หายไปจากความรู้สึกแล้วก็ไม่ต้องไปกำนวลอะไร เพราะว่าเมื่อภาวนาไปแล้วจิตจะละเอียดเข้าไปเรื่อย เ, อยเมื่อจิตละเอียดเข้าลมก็จะละเอียดตามละเอียดไปจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าลมนั้นไม่ไม่มีเสียแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตายเพราะตราบใดถ้ามีผู้รู้อยู่แล้วรับรองได้ว่าไม่ตายเพราะในขณะนั้นเป็นจิตเป็นเวลาที่จิตจะรวมตัวลง เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ถ้าเกิดความกลัวแล้วก็จะทำให้จิตถอนออกมาทำให้จิตเดียอาการอยากขึ้นเมื่อจิตอยากขึ้นลมก็จะอยากขึ้นก็จะสัมถัสกับลมได้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะไม่ได้บรรลุถึงจุดของการภาวนาคือจุดรวมตัวของจิตลมใบเป็นหนึ่ง ที่เรียกว่ามีอารมณ์เดียวสักแต่ว่รู้เป็นเอกตาลุนดังนั้นถ้าเราพาวนาไปเราดูลงไปแล้วลงละเอียดเข้าไปไเรื่อยๆก็ไม่ต้องกังวลอะไรขอให้ดูไปไเรื่อยๆเมื่อไม่มีลมก็ขอให้รู้ว่าไม่มีลมก็ให้รู้อยู่กับรู้นั่นแหละรู้ว่าไม่มีลมแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมตัวลมเมื่อรวมตัวลมแล้วก็จะเกิดความสงบ เกิดความนิ่งเกิดความเย็นเกิดความสบายขึ้นมาในขณะนั้นจิตจะไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นลูปสิ่งกินรถโภชภะที่มาสัมผัสก็จะไม่ไม่สนใจไม่ใหญ่ดีเพราะในขณะนั้นจิตมีความพอมีความอิ่มมีความไม่หิวไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นเป็นความสุขที่ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปรียบได้เทียบได้ดังที่พระพุทธองค์ทรงได้แสดงไว้ว่าสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขกันใดที่จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจของจิตถ้าเราได้ปฏิบัติถึงจุดนี้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นความศรัทธาในการที่จะปฏิบัติรักษาจิตให้สงบนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปมากๆเวลาที่เมื่อก่อนนี้เคยใช้ไปกับการหาความสุขภายนอกเช่นการทรรมาหากินห า, หาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเองินทองนี้มาจับจ่ายซื้อความสุขก็จะถูกลดลดลงไปเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าความสุขแบบนั้น หามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพอสักทีกับสร้างความหิวสร้างความกระหายให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกจึงเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขแบบนั้นไม่ใช่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์ความสุขที่แท้จริงนั้นกลับเป็นการหาความสงบ ข, ของใจดังนั้นเมื่อมีเว ล, มเวลามีโอกาส ก็จะพยายามหาเวลาเข้าวัดหรือหาสถานที่สงบที่ปราศจากผู้คนผู้พล่านหาความวิเว้หาความ <c oughs> หาความเป็นการอยู่ตามลาพังของตนแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาด้วยการกำหนดในเบื้องต้นก็อย่างที่พูดกำหนดบทสวดมนสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งก่อน เพราะว่าในเริ่มต้นจิตจจอยากมากบางทีจะก็ให้กำหนดอยู่กับพุทโธพุทโธก็จะไม่อยู่จะให้อยู่กับลมหายใจก็ไม่อยู่จึงให้สวดมนต์ไปพังๆก่อนสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเริ่มมีความนิ่งมีความพอรู้สึกว่าจะไม่อยากจะสวดแล้วก็หยุดแล้วก็ทำ <c oughs> กำหนดดูลมหายใจต่อไป เลือกํำหนดคำว่าพุทโธพุทโธไปในใจเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วการสวดมนต์ก็ดีการดูลมก็ดีหรือการ <c oughs> ปริกรรมคำว่าพุทโธก็ดีก็ไม่จำเป็นต่อไปเพราะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแล้วเหมือนกับเวลาที่รับประทานอาหาร ขณะที่ยังไม่อิ่ก็ต้องอักข้าวเข้าปากต้องเคี้ยวต้องเกลือาหารไปเรื่อยๆต้องรับประทานไปเรื่อยๆแต่เมื่ออิ่มแล้วก็จะหยุดรับประทานไปเองฉันใดการไหว้พระสวดมนต์การบริกรรม ท, ทรุตโธการกําหนดดูลมหายใจก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารให้ของใจนั่นเองเมื่อรับประทานเต็มที่แล้วเมื่อใจสงบนิ่งแล้ว การสวดมนต์การบริกรรมพุทโธการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่มีความจำเป็นต่อไปเพราะในขณะนั้นใจก็จะนิ่งอยู่เฉยเฉยจะนิ่งอยู่ได้นานมากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะการภาวนาแต่ละครั้งนั้นไม่เหมือนกันบางครั้งก็จะนิ่งอยู่ได้นานบางครั้งก็จะนิ่งอยู่ไม่ได้นานก็ปล่อยให้เป็นไป ตามเรื่องของใจไม่ต้องไปกังวลถ้า <c oughs> อย่าไปดึงใจออกมาในขณะที่ใจมีความสงบ <c oughs> เพราะถ้าทำเช่นนั้นแล้วในโอกาสหน้าเวลาที่จะทําให้ใจสงบนั้นจะยากแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจอยู่ในความสงบจนกระทั่งเขาพักเต็มที่ของเขาแล้ว <c oughs> เขาอิ่ม <c oughs> เขาพอแล้วเขาก็จะอยากจะออกมาเอง เมื่อเกิดความอยากออกมาเขาก็จะเริ่มรู้สึกรู้สึกรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่มาสัมผัสแล้วก็เริ่มมีความคิดปรุงคิดเรื่องนั้นคิดทั้งนี้แล้วก็มีการเปิดอิรยาบถมีการลุกขึ้นมา <c oughs> เพื่อที่จะไปทำภารกิจ ง, งานอย่างอื่นต่อไปถ้าถ้าเป็นไปได้เมื่อลุกขึ้นมาแล้วในขณะที่จะไปทำภารกิจอะไรก็ตามก็ขอให้มีสติ ตามรู้กับภารกิจการงานต่างๆให้จิตมีความรู้อยู่กับภารกิจในเฉพาะในขณะที่ทำในขณะนั้นคือในปัจจุบันถ้าเราลุกขึ้นมาก็ขอให้เรารู้ว่ากำลังลุกขึ้นมาถ้าเดินก็รู้ว่ากำลังเดินถ้ากำลังทำอะไรอยู่ก็ขอให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นๆถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่ายังเป็นการภาวนาอยู่ เป็นการรักษาใจให้สงบให้นิ่งถึงแม้ใจจะทำงานแต่ใจก็ไม่สายแสไปหาเรื่องราวต่างๆในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีที่ไกลที่ใกล้ก็ดีแต่ให้อยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั้นๆถ้าทำอย่างนั้นได้ใจก็ยังจะสงบใจก็ยังจะเย็นเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาสร้างความวุ่นวายใจ และในขณะที่ทำาอะไปเมื่อใจเกิดมีความรู้สึกรักรู้ชังยินดียินร้ายกับสิ่งที่กระทำ mm. ก็ขอให้เอาปัญญาเข้ามาใช้ว่าไม่ควรที่จะไปรักไปชังไปยินดียินร้ายกับอะไรเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์เมื่อมีความยินดี mm. ก็จะเกิดความดีใจถ้าเกิดความ ยินร้ายขึ้นมาก็จะเกิดความโกรธความเสียใจความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าทำความเข้าใจว่าของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสมารับรู้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่ของเขาใจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเพราะถ้ามีแล้วก็จะ ส, สร้างปัญหาให้กับใจ ถ้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นมาก็จะมีความกังวลมีความห่วงมีความอะไรมีความอาวอนมีมีควา ม, าว ม, วามลังเกียดมีความไม่ชอบใจไม่พอใจขึ้นมาเหล่า น, นี้ล้วนเป็นความทุกข์ของใจทั้งสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นของเขาอย่างนั้น เราไม่ต้องไปกังวลกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปถ้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็ทําปฏิบัติกับเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตามหน้าที่ของเราถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นไปตามความต้องการของเราเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเขา ปล่อยให้เขาเป็นไปเพราะเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นี่คือหลักความจริงแต่เหตุที่พวกเรานั้นยังต้องไปยุคเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น <c oughs> ก็เพราะความหลงเพราะเราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความเจริญรุง่งเรืองซึ่งเป็นความเข้าใจผิด <c oughs> ความสุขความเจริญรุง่งเรืองที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจ ที่สงอยู่ที่ใจที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต่างหาเพราะถ้าใจได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความความทุกข์ให้กับใจมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจนั้นเองถ้าใจยังมีความวุ่นวายยังมีความกังวลอยู่ก็ แ, แสดงว่าใจยังไม่ไดพัฒนาไปถึงจุดที่สูงสุดนันเอง จุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พัฒนาไปถึงนั้นเป็นจุดที่ไม่มีความกังวลเป็นจุดที่ไม่มีความทุกข์เป็นจุดที่ไม่มีความวุ่นวายใจเรียกว่าเป็นปรมังสุขขังมีแต่ความสุขล้นลน้นมีความสุขอย่างเดียวภายในใจซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญามีความเข้าใจในสภาวธรรมทั้งหลายว่า เป็นทุกข so ์นั่นเองถ้าไปยุ่งกับเขาไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วจะต้องมีความกังวลใจตามมาไม่ช้าก็เลถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจญาติโยงลองสังเกตดูเรามีความทุกข์กับอะไรส่วนใหญ่เราก็มีความทุกข์กับของขอ ง, ของเรานั่นแหละอันไหนที่เป็นของของเราเราก็จะมีความทุกข์กับของอันนั้นถ้าอันไหนไม่ใช่เป็นของขอ ง, ของเรา เราก็จะไม่มีความทุกข์กับของอหนนั้นเช่นถ้าเรามีรถยนต์เราก็ต้องมีความทุกข์กับรถยนต์ของเราแต่ถ้ารถยนต์คันนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของคนอื่นมันจะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่มีความทุกข์กับรถยนต์คันนั้นทั้งๆ ท, ที่รถยนต์ก็เป็นรถยนต์คันเดียวกันต่างอยู่ที่ใจของเราว่าไปถือว่าเป็นของของเราหรือไม่ใช่เป็นของของเรา